สูนยขอนแก่นก็ได้เข้ามาขอเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับพาเครื่องผ่าตัดด้วยความถีสูงของโอลิมปัสกล้องผ่าตัดเครื่องผ่าตัดด้วยความถีสูงของบริษัทโอลิมปัสหลวงพ่อก็ได้อนุมัติให้ไปแล้วแต่นี้กำลังอยู่ในระหว่างทดลองใช้เครื่องมือ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 แอมบร์นเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาตัวนั้นก็ราคาร้านเก้าเหมือนกันอันนพกทหารทั้งทหารอากาศเป็นผู้มอบให้เราก็เด่นมอบให้ในนา ม, ม ข, ของมูลนิธิของพระอาจารย์อินถวายของหลวงพ่อเนะนี่แหละอันนี้ก็คือสาธารณประโยชน์พวกเราที่ได้ร่วมกันสร้าง